ตั้งใจปฏิบัติที่ไม่เห็นดีพูดเหมือนหลอกกันเล่นวะจริงเนี่งคำเดียวกันนะไม่มีคำสองเลย่นนะทรรมพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเดียวกันลงถึงใจใหจริงเต็มที่แนละ้วเต็มที่เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้ากี่หมื่นกี่ล้านกี่แสโดวหาความสงสัยไม่ได้สงสัยอะไรท่านถ้าไม่สงสัยอันนี้อันรู้อยู่นี่เสียจะได้สงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ตรงไหนวะ พระสงฆ์ก็เป็นคิริยาของข้าขันต่างหาพระสงฆ์สาวกภูริเจ้าพระสงฆ์สาวกรวมแล้วยินทำทั้งแท่งอันเดียวกันเท่านั้นพอนนกาลังจะเป็นบ้าแล้วในนะเดี๋ยวนี่มวยพูดถ่ากัน น, น, นีน่มันเป็นเนือเบีนเน้ยงอ้อบ้าขืนไ ด, ด้มื่อานเราวงเทนต์กีวงมา่ดิมบอกอย่างเวลว่างมาอะไรลิงขึงขน ย, ย, ม, ข ย, ยมันขึงใจจงม่ามันถึงใจนะ พูดออกมาในความจริงว่ะมาไว้บนใด น, นตะกีเหียดยองหัวพระนีม่มันโมโหเลยใครว่านะสิหัวม้วนหัวมองตาเป็นตัวเดยียวเห็นมั่งไปตรงไหนนี่ตะกีเหลือหยียบย่าทํำลายหัวพระหัวเนินแต่มวัดเต็มว่าไม่ว่าเท่าว่วาแก่ว่าหนุ่มว่าอะไรนิดถูกเทียดเหนเอาเป็นกิ้งเหมือนหมากัดกันที่เหลือเอาพระเรามติ้งมันหน้าโ ม, ม, ม, ม, มโหเลยว่ะ เดินอยู่ก้มอยู่ติ้งอยู่กับทางอมนั่งอยู่ติ่งอยู่กับนั่งภาวนาติ้งก็บภาวนาเดินไปไหนไม่ทันยี่เดเยียบหัวตัดแหลกติ้งไปอยู่ตลรดเวลาเรามันทําไมจะไม่โมโหเหมือนช่งเที่ยวมาเหมือนกับว่าครูมวยนะฝึกมวยจนเต็มที่กําลังมังชาหลักวิชาทุกด้านฝึกให้หย่างเต็มที่เวลาขึ้นไปแล้วไ ป, ไปเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยอยู่ปังๆมันจะไม่โมโหไงครูมวยมึงตายอยู่เลยห่ากว่างนี้ กูสอนลูกไม่ได้เป็นสอนนะเป็นกระสอบมีนาหารทำไมเมื่อเขาตะอยู่กระสอบกระสอบตายแล้วเหรอมันก็โมโหที่ครูมวยมองเห็นหรือเป็นกระสอบแล้วเขาต่อยอยู่ปังมันไม่ว่าจะเตะไม่ว่าจะสอบจะเข่ามากนะฝงหวังว่าโอนนู่นโอนนี่เขาอยู่อย่างนั้นทําไมครูมวยที่ฝึกลูกศิษย์ของตนที่ถูกเขา ต่อยอยู่มันก็สอบนั้นมันจะไม่โมโหอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะจี้เราก็สอนมูอพ่วงก็สอนเต็มเม็ดเต็มหยดสอนเต็มที่ทั็มฐานไปที่ไหนนักกิเลสมันต่อมันต่อยมันตีตกเวทีไหนมันตกอยู่ตลอดเวลามันอะไรกันนี่ห่ะสิมันหน่าโมโหอ่ะวิชาที่จะต่อยให้กิเลสมันหายมันมีนี่ ม, มีชาโมยเหมือนกันที่จะต่อยคู่ต่อสู้หนามันมีไ ม, ไม่ไม่มีทางที่เอาต่อยเขาต่อยเอาต่อยเอาทังทีขึ้นไปไมันมีแต้เขาต่อยอยู่อยู่กิเลอยู่เหมือนกันมันต่อยเอาต่อยเอาฮะมันมีหนังเลยนี่มันทะเลาะปอกเปลืขึ้นหมดไม่รู้ว่าสิ้งไปกี่เพล็กกี่ปีน่ะมีกิเลยเลต่อยนะ คุยขบขันเนี่มันก็อาเดชต่อฟันม้ากินกันกิเลสยิ่ยมันแหลมันก็เป็นอย่างนั้นจริงกิเลสกับเราไม่ทันมันนี่นะอืมมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วพูดข้อเปรียบเทียบคือกิเลสมันเร็วมันแหลมคมไม่ทันมันเอาวิชาเหนือมันสิทําไมจะรู้ไม่รู้มันวะอกิเลสตรงนี้มันอยู่หัวใจเรามาพอแล้วนี่นะแล้วถูกปราบแหลกไป เพรวิชาอะไรทําไมจะไม่รู้เรื่องมุสด็กน่ะนั่นแหละเอ๊ยมันโมโ ห, โหนะ ข, นขึ้นบนก็เป็นกระสอบเขาต่อยอจเจ้าหน้าไว้ตรงไหนลราครูนระเหน่บเหมือนกันมองไปที่ไหนมีดีต่อยเป็นกระสอบมองไปได้เห็นตะกระสอบเคลื่อนทีก็มาฐานเคลื่อนทีเสะ พอมาถานเกลื่อนที่กิเลดตอยแล้วทุกข์นัน้าโมโหนะเวากิเกตม ย, ตยล้พอมาพูดอย่างนี้ก็ดีเวลาตยมันแหไม่ลืมนะเหล่านี้ไม่ลืมเวกิเลสมีอำนาจมันเอาจงริงมันกล่อมน้ มือไม้จิตใจอ่อนเปียกไปหมดเลยมันเต่าไม่ได้ถึงพูดอย่างนี้เลยนะเพียงมันไ ล, ล่มนเท่านั้แหละล้มละนาวไปแล้วมนของกิเลสมันเต่งมากนะเพราะไล่มนธรรมะขึ้นมาไล่มนสติธรรมวิทยธรรมขึ้นมาขันติธรรมขึ้นมาพลัอองจากนั้นก็ปัญญาธรรมขึ้นมาเอาละทีิ้งแพ้ที่ทชนะกันไปแล้ว อ่าเอาแล้วมีใจใจแลาหน้าทีเหนืได้กำลังเโอ้มันล้มเพราะหมัดเรามีนะเนี่ว่ะอ่าอ่คราวนี้กูต่อยมันล้มคาลรามูก็เตะมันล้มคาลรามันก็ใส่ปังันล้มโอ้มันก็ล้มด้วยเท้ากูเหมือนกันอย่าว่าแต่กูล้มโดยเท้ามันเลยเออมันกูล้มโดยศอกมันมันก็ล้มโดยศอกกูเหมือนกันอืมมันล้มโดยเข่ากูล้มโดยเข่ามันมันก็ล้มโดยเข่ากูเหมือนกันอ่ะเราไปมาวิชามันที่เคยมันเอาเราล้มเราก็เอาวิชามเรานี่ล้มแล้วเหนื่อมันอีก อเแล้วมันเนื้อมั น, ก, น, มนกัไปเดิมแหละเอาที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็แหลกนี่ถึงขั้นสติปัญญาเตรียมกายที่กิเลสต้องหมอบกิเลสมองก็คืออูบ่าวกิเลสแสดงว่าเราจังไม่ทันมันต้องหาเวลามันโผล่ขึ้นมาซะก่อนนั่นแสดงว่าเรายังไม่ทันมันหมอกยังไม่เห็นมันเอาอี๊ คุยเฉียวเพิ่ขึ้นยกโผมาคุยเฉียวเป็นวิชาธรรมตีปัญญาคุยเฉียวจนโผขึ้นมาจานได้ฟาดอีแระแระอ้ามเลียบในจิตอะไรจะมาโผ ท, ที่นี่นั่นเอามนักเลยตายไปเลยไม่ต้องมันฟื้นแหละหาบุตรแล้วไปเลยเหมืมหนักรบชั้นเอกเลี่ไม่ใช่เอกตาเดียวเหรอ นี่มีแต่พวกเอกตาเดียวมีตาข้างเดียวเอกไม่มีคู่ต่อกอนละสิเรียกว่าเอก เ, เห็นพ่อแม่ของอาจารย์ยาสันเทศเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยแต่พอทราบหากมันไม่ถึงใจอย่างทุก ว, วันเหมือนอย่างทุก ว, วันเราก็ทราบไม่ถึงใจท่านเราคิดแมันเป็นเงคาดคาดไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่อย เวลามาันเต็มแล้วมันไม่ดีเวลาเป็นเี่เสียงกังวานหนุนสะพานได้ยินชัดชันนะถึงจะไม่ชัดพอจะรำก็ตามได้ยินเสียงแมวแมวแมวอะครับสะพานอ้วนอ่าที่ประตูวัดอย่างที่ยธํามาสูงตัวไหนสู ง, งก็แล้วยิ่งเสียงนี่เสียงท่านกังวานเลยนะเออเป็นนามต่าไดนเสียงยิ่งดังนี่กังวานแผล เข้มขนม้นพร้อมกันกับอัดเนื้อเนื้อทำทำสูงเท่าไรยิง่ยนนางเหมือนเต้วเติ้วมันยมือนี่อย่างนี้เลยท่านมีนิสัยถ้าท่านเทศกับพระกำเนิดท่านมีมืออะไรหน่ยท่านเวลาออกเตที่นีมือต้งดุยันนางไงกระถดที่ก็กิ่งตกพัก น, นึงเลยเหยุดนี่หวก็ไปด้วยทนเลยหยุ ด, เ, เ, ยยดอเอาอยัางกระถดตกเลย อย น, นต่กย้อนปั๊บแล้วเป็นไงขี่เลรไมีตกสักตัวไหมล่ะนั่นหลแล้วนะนี่มีจตกระถนตกเลยไม่ได้แค่ากระโถนฟังอย่างนี้นะนั่นอาถามอาชานรูปร่างนั้นก็ไม่เลยตูแต่ว่าดูกิริยาท่าทางเป็นอาชานายัยไม่มีองค์ไหนเหมือนนะี่ดี เฮ้ยเาะำอไงมาพูดอะไรต่าเหมือนท่านมาพูดอย่างนี้คปติว๋วเราพูดเทืท่านเทศเทศพระท่านขนายย้าลายย้อเลยนะแต่เทศก็ย่โยมรู้สึกกุกกักกับอย่างนั้นหละสมมุติมันต่างขัานกันเพราะผมเนี่มันเป็นคนนั้นอย่างนี้นะ เขาจะว่ากล้าหานก็ใช่มันถือท่านเหมือนพ่อเนี่ยว่าหูยมันมีมีผมแล้วเลี้ยแค่เลี้ยขาท่านได้สบายลอกนั้นไมีกล้าเดานะเลี้ยแล้วก็ไม่ใช่เลี้ยประจบนี่เลี้ยด้วยความนิรันดร์ของเราดูวความคารมความน้อมใส่ของเรามันชุดเข้าใจเราทุย่างเราท่านได้ทุย่างกับท่านเหมือนกับประจบประแจงท่าน พูดอด น, นั่นอด น, นี่กับท่าน <c oughs> ได้ส บ, บายอนนุ้นไม่ได้นะมันมาไม่ถูกไม่ถูกท่าแล้วก็เถกเขาโอ้ยกบานแตกมาเล ย, ย่าว่าง้ายคนเลยว่าง้าว่าเล่าเดี่ยวกินวันนี้มันพริกวันนี้ขึ้นตอนนี้อี๋อ๊ะตีปอเนี่ยบักพิกแนี้ลุ ก, กได้ขึ้นมาทั้งอี้ทุกคนื่ อ, อทีเราก็มา มันเป็นยงไงนี่ว่ะนี่ผมอยากครูอาจารย์เวลาเทศสอนพระ น, นี่มันน้ำไหลยังไม่เร็วกว่าเราทําไมถึงขัง้งเลเหมือนทัง้งเลยสวดปฏิบูรยังไม่เร็วกวันไม่ขั้งมัณยเวลาเทศสอนประชาชนเป็นยังไงลักษณะเป็นลักษณะคือกขก์กับเมื่อพสะดวกบางอีูแล้วผมบูนกุงต่างกันนั่งพราแม่ครูอาจารย์เทศสอนภระกับเทศอนโยมมันกต่างกันมากว่างเลนะเวาเทศสอนพระ น, นี่ไหลไปเลยนะ น, น, นี่เที่ยวสวนดยมนี่คือไม่สะดวกเลยมันจะสะดวกิใหกวากงอมปานอกสุม่ม ข, ขันบุบเรื่องงมปานอกซุมนียกไปสวรรค์ฉันนั่ยกไปสวรรค์ันนี้ดกลดีด้บวเด็กิฟองงมปานอกสุมมไม่ได้เรื่อนี่ยังเว้ยงมในสุมสิถ้าจะทําอยู่ค้างไปดีสิสวรรค์นิพพานเป็นูนสิมันจะไปดูที่ไหนวะมึงวา ไม่ต้อาจะพูดยังถูกการเป็นบรรดาเลด่ามันเหมือนกับอะไรมันรูยูนี่หมดถ้าจะเกียบยังถ้ว่งมันก็เหมือนเลดา่ามันวางการเป่นบรรดาเลด่ามันรูอยู่นี่หมดขอให้ตัวนี้มันแก้งขนาดม่นวานี่ไปงปลานอกซุ่มมันบอกนี่เลาคำ่ผมนักสอนสอนี่เรื่องกันที่ว่าหัวมม่าดืผมยนี้ มันมีข้อคิดาีเลื่อนถามท่านหนึ่งนะขุมานมันมีเงินเพรามันขืนานนึ่งมันมีเงินถึงเงินเพราได้โอกาสเอาแล้วมาปผม้วนมาเงมันปลืมเดอ๋ยวก็เป็นเพราะได้โอกาสปั๊มเอาแล้วในมันขืยิงปฏิบัติทรานกันชุงมมันไปเยอะมันอากัาเรื่อยแล้วครับท่านใอ้กันเลือกสัดกันมันมาติดแต่กับมีงานคือ จุดฟาแตกมาหมดวัดสึกหนึ่งเป็นเลยน้ยิ่งมีของระ่างต่างรรนานาผมพูดมามอาเปนผมไปคุยหลายคนเแต่เพิ่นยังไ่เคยถามผมนะเขาพงผู้จารย์เนี่ไม่เคยถามไปง่ายกินเวลามีผ้าเน้นยนั้นตั้งแต่สามองค์ชูงไปแล้วท่านไม่เคยถามเลยแม้แต่สององค์มีพ้าสองค์อยู่กับผมีท่านยังไม่ถามว่าไงท่านก็รู้นิสัยผมเพราะผมไม่พูดมันไม่รู้ไม่ชี้ก็เอาสองต่สองอะ พอมีสองกัสองนั่นแหะถ้าเราไม่ขึ้นก่อนท่านถามทันทอเลยเป็นยังไง อ, อาวเหรออูว่าเลยนี่ไงกลางวันมันเองก็ไม่นอนอีกมันจะเป็นตายเราในีเงาอ่ะน้องท้บเข้าสู่สมาธิเออสมาธิหายหมดัดตอนนั้นนะมีแต่เรื่องของปัญญาโอ้โหกว้างทั่วโลกวัฏฏะเดี๋ยวคำว่าสมาธิหายในตอนนี้มันหมายถึงว่าไม่มีสมาธิเลยนะ มันมันทุ่มปทางปัญญาทั้งหมดผอมจะตายจริงมันก็ลั่งกันมาสืกัมาทีจนกระทั่งเดยพุทโธนะทียิบกับผมเนี่ยคือมัดจิตไม่งั้นมันจะโดดไปหางงานบางท้ากันมาบริกรรมไปพุทโธพุทโธอื๊บก่อจิตมันไม่เผยอยู่แล้วนี่เป็นเพียงมันยุ่งอยู่กับงานต่างหากเมื่อมานี่ยคำว่าคำว่าเผอนี่มันพูดไม่ออกแล้วนะ ว่าร า, ามือว่างา น, นะอะรามือกก็พุ่งสิ ง, งานเลยแล้า ว, ว่าเราเผลอมันไม่เผลเนี่จะได้ว่าเผลอได้ยางไงมันไม่เผลอพอมันอ่อนทั้งนิ้พับคือมันจิตมันจ่อยอยู่นูนแล้วพ อ, อ, อ